วันนี้เรามาประสมกันในที่นี้ก็เป็นการที่มาศึกษาธรรมะหรือว่ามาปฏิบัติธรรมะเข า, าการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะนี้บางคนคิดไปว่าถ้าหากไม่เข้าวัด รู้ธรรมะได้อย่างไรน่าจะคิดอย่างนี้มีคนเป็นจำนวนมากถ้าคนไม่ได้เรียนอย่างฝือไมไ่เรียนบาลีจะากปฏิบัติธรรมมากไม่ได้เข้าใจกันอย่างนี้แต่ในขณะนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นธรรมะนั้นมันไม่ใช่เป็นของเก่า มันก็เป็นของเก่าเป็นของแก่เป็นของโบราณโบราณทําไมพูดอย่างนั้นไม่เป็นของเก่าและกลับเป็นของเก่าก็พูดอย่างนั้นแหละสิเพราะทํามนั้นมันคือตัวคนนั่นเองกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดนั่นเนี่ยคือธรรมะทำดีพูดดี คือธรรมะถ้าทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็เป็นอาธรรมพ า, าธรรมะนั้นไม่กำหนดกฎเกณฑ์ตายลงไปว่าเป็นคนไทยและเป็นคนจีนเป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนอังกฤ ษ, เ ป, นนกฤษเป็นคนอเมริกาคนคเขมรคนดวนคนราวไม่ใส่จำกัด ลาสาตร์าสนาและที่ใดก็ตามไม่ไจำเจะนั้นจำอัดลงไปที่ตัวบุคคลนั้นเองฝรั่งเศสก็มีโกรธเกียดชอบเหมือนกันคนไทยก็มีโกรมีเกียรติชอบเหมือนกันคนจีนก็ยังมีโกรมีเกียรติมีชอบเหมือนกันใครก็คุ มีเกียรติเช่นเดียวกันศาสนาชิดก็มีโกรมีเกียรติเหมือนกันศาสนาอิสลามก็มีโกธมีเกียรติเหมือนกันพุทธศาสนาก็ยังมีโกธมีเกียรติเหมือนกันหรือจะเป็นศาสนาดึกดำบรรเช่นศาสน า, าพราบหรือศาสนาฮินดู ที่เราเคยพูดกันว่ากมรามเพื่อนดูก็ยังมีโกเดเกียรติเหมือนกันนั่นแหละคือธรรมะเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจความโกดเกียรติอาฆาตนิสยากันนั้นนั่นแหละคืออาธรรมมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปัจจุบันแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจว่า ไปก่อน ผีเทวดาและรกสวรรค์จริงจะเป็นธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นการขาดคิดเอาพระพุทธเจ้าท่านทำรร ม, มาแล้วหลายวิธีเรื่อครับครูับอาจารย์มาก็าเป็นจำนวนมากธรรมะจริงๆนั่นคือตัวปกตินั่นเองปกติกายปกติว่าจากปกติใจนั่นแหละคือธรรมะ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 ในประเทศอินเดียพระครูวิสิตธรรมจารย์เป็นอุปชาผมแต่เมื่อบดเป็นพาหนุมในระยะอายุยี่สิบปีท่านก็เป็นอุปชาให้มาวทครั้งนี้เป็นลวงตาครั้งนี้ก็ท่านก็เป็นอุปชาให้ท่านสอนท่านเล่าให้ฟังว่าในประเทศอินเดียนั้นมี1อยแปดละทิลอยแปดเมกาย าาร้อยเจตดอาจารย์ใครชอบอาจารย์ไหนละที่ใดก็ไปหาอาจารย์นั้นละที่นั้นท่านว่าอย่างนั้นละที่ต่างๆนั้นสอนกันนอนเสื้อ น, นอนน้ำก็มีไม่ดงเสือ้อไม่ดูผ้าก็มีกินข้าวเรียเอาเหมือสุนัข ก, ก็มีกินน้ําำ้อนนอนย่างไฟนอนเตี้ย น, นอนน้ำอะไรมากมายหลายเรื่อง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 นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเรื่องอดีตอนาคตนั้นอย่าไปสนใจมันเราต้องพยายามให้จับควมรู้สึกการเคลื่อนการไหวของรูป ก, กายภายนอกแล้วก็ให้มีความรู้สึกความนึกความคิดมันคิดอะไรให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจไม่ใช่รู้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 ที่หนูออกมาแมวมันจะคุกพอนูตัวโตวมันตกใจมันไม่เคยให้แมวจับหนูก็วิ่งไปแมวมันไม่ยอมวางหนูมันก็ติดหนูไปเหนื่อยเพียแล้วมันก็วางหนูหนูก็ไปได้แตเราจะไปโทษแมวว่าทำไมมึงจับหนูไม่แรงจับหนูไม่ได้จะไปโทษจังไง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 ที่หนูจึงเลือดไม่มเพราะมันตกใจจิตใจมันขาดจุดขีดมันเลยมันไม่เคยให้แมวจับอันนี้แหละจีวัพรพอดีมันคิดมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันไม่ทันเป็นอารมณ์ถ้ามันทันคิดเป็นอารมณ์เข้าไปเขาว่า ถ้ไม่เชื่อก็อยากอุปการเซวคคนหนึ่งแสวงหาพระพุทธเจ้าต้องการทำมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตัดรู้ออกมาใหม่ๆจะไปโปรดพวกปัญจวคีเดิน ม, มาเข้ามาคบนักบวชคนนี้แหละคนแรกที่สุดโยมถามอุปการเซวคคนนี้แหละ พอได้เจอพระพุทธเจ้าเขาก็พระพเจ้ามีกิริยามลายาตหน้าตาแข้งขามือเท่าสวยงามดีเดินไปละมัดระวังเป็เนี่ยก็ถาท่านอยู่สํานักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านครูบางอาจารย์ของท่านสอนธรรมะบทไหนหน่าเลื่อมใสหน่านักถือ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนตอบเขาให้ว่าเราไม่ได้เป็นสิทิ์ของใครไม่ดูในสำนักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เรารู้เองเหเอง เ, องเองข้าใจเองตัดกระลูดโดยชอบพูดจะ่างัองฟังขอดีพูดให้ฟังถามคนนั้นก็ไม่เสือเลยเพราะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังคนพูดอย่างนี้แหลกตื้นให้ขันหลังให้ คนไม่มีครูไม่มีอาจารย์จะรู้ได้ยังไงเขาใจอย่างานั้นใครจะรู้แทนเราไม่ได้ยังญาติโยมหรือเพื่อนพิสูจสมณีนพระสงฆ์องเจ้าฟังผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้หรือฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะ น, นี้ท่านดูความคิดของท่านหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อไม่เห็นความคิดของท่านหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อรู้ความคิดของหลวงพ่อคนอื่นจะเห็น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 เราไม่มีอารมณ์มันคิดเราก็เห็นมันคิดเราก็รู้อันนี้แหละเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมะอันธรรมะแบบนี้นั่นนะมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามันเป็น ใหนก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติทำไม่ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาแก้การขัดแยง้งแก้ควมสับส น, นวุ่นวายแก้ทุกแก้เซ็งจะว่าอย่างไรก็ได้เพราะมันมีการขัดแย้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเรามีการขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วก็วัดคนนั้นทำผิดคนนี้ทำถูกคนนั้นทำดีคนนี้ทำไม่ดี เกิดการขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจเราเองไม่รู้ว่าใครเป็นภูไม่รู้ว่าใครเป็นศิ์ รูร้ทำคนที่รู้ทำ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 จะมีสิวิตอยู่ก็เหมือนกคนตายแล้วทนวี้เพราะมันทำผิดพูดผิดคิดผิดมันเองคนได้รู้ตัวตื่นตัวรู้ใจตื่นใจรู้ควมคิดของเรามัน เกยกกตาถ า, าหา่ายังไม่รู้ความคิดของตัวเองไม่เข้าใจความคิดของตัวเองนานกว จึงเป็นเครื่องกำจัดกิิลสอย่างยากสมาธิจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่งางกลางปัญญาจึงเป็นเครื่องกำจัดกิริสอย่างละเอียดกิเลสอย่างยากคืออะไรพูดตามภาษาที่บ้านของเราคือโทสะโมหะโลภะนี่เองกิเลสอย่างยากอันต่อไปก็คือ การหน้าที่แม้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าทำงานยิ่งมากกว่าบุตุชนคนธรรมดาเพราะท่านมีปกติมีเองถ้าจะพูดไปให้กุ้งก้วงท่านกุเป็นนิพพานก็ได้เป็นเท่ า, ารหันก็ได้อันควบปกตินี้เพราะมัสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกอย่างในตัวไม่ใช่จะไปรู้คนนั้นไม่ใช่จะไปรู้ ของเรามันมีค่ามากที่สุดมีค่ามากที่สุดซื้อไม่ได้ขายไม่ได้คนทำบุญ ม, มากๆหมดเงินเป็นล้านโกรธเป็นไหมโกรธเป็ถ้าโกรธเป็นแล้วมันจะได้ไปเรื่องอะไรแต่บางกนดีบวดนานนานโกรธเป็นไม่โกรธเป็นถ้าโกรธเป็นแล้วมันจะได้เรื่องอะไรแต่บานกดีอั น, นันเดียว What? <laughs>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 มีสติรู้ท่านสอนอย่างนั้นแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านยังสอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิิยาขดย่อยขู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านสอนให้มีสติรู้อย่างนี้นี่เองจึงมีวิธีทำเพราะคนเราระดับสติปัญญาไม่เหมือนกัน การกระทำแบบนี้คนแก่ก็ทาได้พ่อบ้านแม่เลือนก็ทาได้คนหนุ่มคนสาวก็ทำได้เด็กนักเรียนก็ทาได้เพียงเรานั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งพับเทียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ที่สุดนอนก็ทำได้เราพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวมีจังหวะท้าทีทา ควบมือลงให้รู้สึกตัวแต่ไม่ใช่ว่ารู้พิกมือควบมือไม่ใช่ดูอย่าง น, นเพียงเอารู้ได้น้อยว่าเราพิกมือขึ้นรู้มันไหวขึ้นไปควบมือลงมันรู้ไหวขึ้นไปให้มันรู้เหมือนพิก นไหวของภายนอกนี่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเราไม่เคยรู้ดังนั้นจึงวัดมาศึกษาที่ตัวจริงของมันเป็นธรรมชาติศึกษ า, ษ า, ษาธรรมะธรรมชาติของมันจริงจิจริงมีวิธีทามีวิธีสร้างจังหวะขึ้นพิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัวเอามือขึ้น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 ถ้าทำจริงทำจังแล้วไม่คือนสามปีเพราะในตาลามีอยู่ว่า <c oughs> ผู้ที่จเจริญสติปัะทาสี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ท่านวันอย่างนั้นอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างนี ให้มันเห็นแล้วหมองมาดูตัวเองให้มันเห็นทันว่าอย่างนั้นอันนี้เราหมองไปแข้างหน้าคิดไปแตข้างหน้าคิดไปเรื่องทํำดีคิดไปเรื่องทำํไงทำไม่ดีคิดไปเรื่องสวรรค์คิดไปเรื่องนิพพานเราคิดไปอย่างอันสวรรค์นิพพานนั้นมันอยู่ในกำมือของเรานี้เองถ้ า, าเราไม่รู้จะเรียกว่าสวรรค์มันก็ไม่รู้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 นิพพานก็ได้แล้วแต่จะสมมุติพูดขึ้นมาให้มันรู้เรื่องกัะท น, นั้นเองสวรรค์กับนิพพานมันไปสายเดียวกันสวรรค์คือเรายังไกลห่างไกลจากานิพพานแต่มันจะไปนิพพานเราไปติดวิธีนั้นไปติดวิธีนี้เราไม่ตั้งใจเดินไปห า, านิพพานเอาสมมุติกันใตกได้เราอยู่บ้านเรา เราจะเดินทางไปจังหวัดไหนก็ตามเราไม่ตั้งใจเราจะไปแวะที่นั่นไปแวะที่นี่ผลที่สุดไม่ถึงจังหวัดนั้นเขาเรียกว่าเอื้นโลกียาธรรมแต่ตั้งใจไปแต่ไม่ไปไม่ถึงเขาเอื้นโลกีญาธรรมคือตั้งใจทำการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยแต่ตั้งใจว่าจะทำให้มันเสร็จมันทำไม่เสร็จนั่นเขาเรียกว MM. ่าโลกีญาธรรม บัดนี้คนหนึ่งตั้งใจว่าจะไปอำเภอนั้นตำบลนี้อรือจังหวัดนั้นจังหวัดตั้งใจลงเงินเราไ ป, ไปไปให้ถึงจังหวัดนั้นอําเภอนี้ตำบล น, นั้นตำบล น, นี้เห็นคู่คนหลักหรือไม่จิตจิตกระทําการงานของตําบล น, นั้นอําเภอนั้นจังหวัดนั้นอันนั้นเขาเรียกไปถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าโลกุตตะธรรม ลิจะวานิพานก็ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจในคําพูดคําสอนเหล่านั้นเพราะมันเป็นศัพท์เป็นแสงคําพูดของคนอินเดียมันไม่ใช่เป็นคำพูดของคนไทยแต่คนไทยแท้ๆอย่างที่ผมหรือหลวงพอพูดนี่ก็ยังไม่เข้าใจบางคนพูดให้ฟังมาหลายครั้งหลายคนแล้ว อย่างที่เราเคยทำบุญเคย มันมีอยู่แล้วนึกว่าเสยๆมันคิดขึ้นมาเราก็ทาความรู้สึกตัวรู้สึกให่ความคิดมันถูกอึดไปเองมันก็เสยๆหลักจะน่าเสยๆนั้นทันวัดเป็นปกติปกติมันมีอยู่ดังนั้นทุกคนอันเสยๆนี่ผู้หญิงก็มีเสยๆผู้ชายก็มีเสยๆ อะไรจะเปรียบปานหรือเท่าเทียมไม่ได้เพราะความรู้สึกอันนี้นี่เองดังนั้นจึงไม่ต้องทำอะไรศึกษากับธรรมศาสตร์ถ้าผิดธรรมศาสตร์ก็ผิดปกติถ้าผิดปกติก็ผิดธรรมศาสตร์ดังนั้นศึกษาธรรมะศึกษากัธรรมศาสตร์ให้รู้ธรรมศาสตร์มนจริงๆคนเราต้องมีการคิด มีการนอนมีการไปมีการมามีการอาบน้ำมีการล้างหน้าแปรงฟันมีการเข้าห้องน้ำห่องสวมมีการเข้าไปทายอุจจาระปัสสาวะมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันจึงศึกษาให้รู้ถ้าพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์สอนคนเนี่ยให้รู้จักเรื่องทุกข์ทุกเกิดขึ้นเพราะที่ไหน ไม่เคยทุกข์ไม่มีเงินไม่มีทองหรือเจ็บหัวปวดท้องไม่ได้หมายถึงทุกข์เหล่านี้ทุกที่หลวงพ่อหรืออา จ, จมาพูดนี่ทุกหมายถึงควมคิดมันถูกปูงแตกมันคิดสับส น, นวุ่นวายคิดมาแล้วหยุดไม่ได้คนนักเรียนนักศึกษาเรียนมากมากคิด คิดคิดหุดไม่เป็นเป็นบ้าทัวคนนี้นี่มันเป็นอย่างไงอันนี้แหละที่ว่าความคิดนี่มันสําคัญที่สุดเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจมันคิดแล้วต้องทิ้งอย่าเข้าไปในความคิดความคิดเนี่ยเหมือนกับกระแสน้ําเหมือนกับกระแสน้ํา เคยได้หยินได้ฟังมาแล้วพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตัดกรูจ้จยักเอาธาตุหรือขันนางสุดสดาเอาเข้าไปถาวายพระพุทธเจ้านึกว่าเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าได้จึงเข้าในขันของนางสุดสดาแล้วถามนางสุดสดาว่าจะถาวายจะข้าวหรือจะถาวายทั้งหมดถามนางสุดสดา านาำสุสดาก็บถวถวายทั้งหมดไม่เอาอะไรกลับคืนเลยพระองค์ก็จัดถาดหรือขันอันนั้นแหละลงไปริมแม่น้ำออก็ไปนั่งอธิษฐานว่าถ้าขา้าพระเจ้าจะได้จัดกัลลูเป็นพระพุทธเจ้าขากิเลสตายขายกิเลสหนุดเอาชนะทุกได้วางถาดหรือขันใบนี้แหละลงบนผิวน้ำนี่ ให้ถาดและคันใบนี้แหละทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำโนดนเหมในทางตรงกันข้ามถ้าหากยังไม่ได้ตัดสู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขาดกิเลสไม่ตายขายกิเลสไม่หลุดเอาสนทุกไปได้วางทานและคันใบนี้ลงไปบนผิวน้ำนี้ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำาว้ายอย่างนั้นพอดีพูดจบแล้วก็เลย วางถาดขันอนั้นลงไปถาดขันอนนั้นพอทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ำก็ไปจมลงที่ตรงกระนาคนอนหลับอยู่ไปซ้อนเข้าเป็นหมอนให้กระนาคนอนอันนั้นมันเป็นปุกาลาธิฐานอันนั้นมันเป็นปุการาธิฐานให้เข้าใจจึงว่าทำมาธิฐานบุการาธิฐาน ม, มรุทธธรรมะโตไปตีเป็นบุคคลขึ้นมาอัางการนาคนอนหลับเนคือว่าเหมือนเรานี่แหละนอนหลับทับสิตหลงตนลืมตัวไม่คิดถึงจิตถึงใจยอดนอนหลับทับสิตดังนั้นทวนกระแสของนาคคือทวนกระแส สุาเราก็ต้องไม่ถึงสุลามันอยากใส่สิ่งของอะไรต่างๆแปลกๆทันสมัยเขาก็ไม่ต้องใส่อย่างนั้นให้ใส่ชีวิตเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาใส้ชีวิตเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมะก็เป็นธรมธ ร, มนธรมดา ท่านว่ากนั้นดังนั้นการพูดการสอนและผู้ฟังกับผู้สอนให้เข้าใจกันและจะเรียนภัยปีดกจนแตสานก็ตามถ้าหากไม่ทําจะไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้เรียนหนังสือเขียนไม่ได้อ่านไม่เป็นแต่ทําก็ต้องรู้เช่นเดียวกันดังนั้นคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ พูดนั่นดีแล้วพูดร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การกระทำครั้งเดียวไม่ได้การกระทำนั้นทาอย่างไรทำให้รู้สึกตัวตื่นตัวทำให้รู้สึกใจตื่นใจคนบูราถ้าจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าหลงตนอย่าลืมตัวอย่าหลงกายอย่าลืมใจเนี่ยท่านสอนเอาไว้ แต่เรามันหลงตนลืมตัวหลงกายรือใจไม่รู้เท่าทันของควมคิดมันเป็นคนเป็นใครควมคิดนี้คนโบรานท่านจึงสอนเอาไว้ว่าความคิดคนนี้เมื่อกับรีมท่านไวควคิดมันออกตับได้ไวควมคิดคนเมื่อกับลืมลืมนี่มันอยู่ที่นิ่งไม่ได้แล้วก็ไม่ไปแย่มัน โดนโหลดเต้นจับน้นจักนี้มันเป็นอย่างนั้นควมคิดก็เหมือนกันทันไหวควมคิดของคนนม่จะอกกอับได้ไวดุดมีลานไข่ในตนเราท่านวนบังคับคนให้จิตยนหมุนมาแต่ในทางทางดีถ้าปล่อยให้จิตหมุนไปในทางทางขี้อำ ท, ที่มีก็จะหนีจากนายหายสูน ทำข้าวขอกน้ำความระยอียดสมบูรณ์ก็ปีนปอกหลอกโตนนี่มันหลอกเราดังนั้นพวกกรรมฐานไปนนั่งภาวนาแล้วเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์เพราะไม่เห็นจิตใจนี่เองเพราะไปฝึกกรรมฐานมันไม่ได้ฝึกตัวเองมันไปฝึกนั่งหลับตาไปฝึกอะไรต่างๆแล้วนะมันเลยผิดธรรมการ ผิดธรรมศาสตร์ผิธรรมดาอ้อแสดงว่าไม่รู้ธรรมศาสตร์ไม่รู้ธรรมดามันก็หลอกเราเอา เ, อาเสียเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นจงศึกษากับธรรมศาสตร์ศึกษากับธรรมดาไม่ให้มันหลอกเราเรารู้เท่าทันกลไกหรือมายาของจิตใจเนี่ยไม่ไปทำที่มีก็จากนี้จากไหนาหายศูญอ้อเราไม่รู้นี่เอง อันควรไม่รู้นั้นหาหาธรรมะเดืยกว่าโมหะภาษ า, าธรรมะมเดียว่าโมหะภาษ า, าขึ้นบ้านเรีว่าหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจไม่รู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจพันว้ยอย่างนั้นดังนั้นจึงศึกษาหาของจริงจริงไหมมองเห็นต้นไม้มองเห็นคนเดินไปมองเห็นคนนั่ง มองเห็นคนนอนเน่ยอันนั้นจริงไหมนั่นแหละตาหน้าที่ของดูหูจิงเป็นหน้าที่ของฟังแต่ตาดูตามันไม่รู้โอ้ฟังหูมันไม่รู้คือตัวใจมันรู้มันเป็นทางมันเป็นทางเดินของจิตของใจมันเป็นทางเดินของกิเลสมันเป็นทางเดินของอวิชชาคือหัวไม่รู้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 ขุดเดินภูพูกาตามรูปขุดที่ลุ่มที่ด้อนขุดที่ไหนก็าตามแต่พื้นดินนี้ต้องมีน้ำทุกผลทุกแหกงขุดลงไป อาที่ ตัวเราก็ยกมือไหว้ตัวเองได้อารยกมือไหว้คนอื่นนั้นลอยครั้งพันหนสู้ยกมือไหว้ตัวเองครั้งเดียวไม่ได้เอ๊นไม่จริงทําไมจีมันี่ค่านี่คุณมากยกไหว้ยกมือไหว้ตัวเองเนี่เมื่อไหว้ตัวเองแล้วก็เป็นการไหว้คนอื่นได้เพราะเรา ในยกมือไหว้ตัวเองนะนั่นแหละที่ว่าเป็นคนดีไม่ใช่ยกมือไหว้คนอื่นเราเห็นตัวเรากำลังยกมือไหว้เราเห็นจิตเห็นใจกำลังอ่อนน้อมท้อมตนยกมือไหว้คนนั้นคนนี้อันนั้นแหละท่านว่าเป็นคนดีอันนี้เราไม่เคยเห็นจิตเห็นใจเห็นเขายกมือไหว้ก่อนยกมือไหว้ไปตามเขา เทนใจบางที่คนยกมือไหว้คนอื่นจิตใจคิดอยากไปทำร้ายเขาก็มีนะเป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่ามันมีการขัดแย้งอยในตัวมันเองเมื่อมันมีการขัดแ ย, งย้งในตัวมันเองก็มีคนสับสนวุ่นวายเมื่อมีคนสับสนวุ่นวายปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นจึงคนมันไม่รู้จักหน้าที่ของคนดังนั้น คนเราต้องศึกษาให้รู้จักขวมเป็นคนให้รู้จักว่าหน้าที่ของคนให้รู้จักว่าปฏิบัติหน้าที่ของคนเมื่อไม่รู้จักขวมเป็นคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนไม่รู้จักปฏิบัติ